คนขายหมวกและลิงในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อโทนี่เป็นคนขายหมวกเขาจะทำหมวกต่างๆจากผ้าที่หลากหลายชนิดแล้วขายมันในหมู่บ้านใกล้ๆการขายหมวกเป็นสิ่งเดียวที่เขาได้เงินเขาไม่เคยบ่นที่เขาได้เงินน้อยและเขาตั้งใจทำงานต่อไป หลังจากที่เขาซื้อสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแล้วเขาจะซื้อผ้ามาทำหมวกเพื่อขายต่อไปในวันถัดไปโทนี่ได้เงินวันต่อวันเพราะอย่างนี้เขาจึงทำงานทุกวันแต่นอกจากการทำงานที่หนักและเงินที่ได้น้อยนั้นโทนี่เป็นคนขายหมวกที่มีความสุขและนั่นเป็นเพราะว่าเขารักในสิ่งที่เขาทำเขามักที่จะมีความคิดที่สร้างสารรค์ในการทำหมวก เขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และตั้งใจทำงานเต็มร้อยกับหมวกทุกใบไม่ไกลออกไปจากเมืองที่โทนี่อยู่ที่นั่นมีป่าเล็กๆมันเป็นป่าที่สวยงามและเต็มไปด้วยดอกไม้และผละไม้ป่าตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสองหมู่บ้านชาวบ้านมักจะต้องเดินทางผ่านป่า น, นี้เพื่อที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นป่าที่สวยงาม แต่มีเรื่องหนึ่งที่กวนใจทุกคนอยู่ลิงที่อยู่บนต้นไม้ใหญ่พวกมันจะเข้ามารบกวนแล้วก็ขมโมยทุกอย่างของที่ชาวบ้านแบกมาชาวบ้านทำทุกอย่างเพื่อจะจัดการกับพวกมันแต่ทุกคนก็ยอมแพ้และคิดว่ามันเป็นเพียงป่าเท่านั้นไม่มีใครจะเอาชนะสัตว์ออกจากป่าได้มันคือบ้านของพวกมัน พวกลิงเป็นตัวป่วนพวกมันจะขโมยทุกอย่างที่คนผ่านมาแบกไว้และมักจะก่อกวนและหัวรากคนที่ผ่านไปมานั่นมันร่มฉันเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยชาวบ้านพยายามถึงที่สุดและยอมแพ้ไปพวกเขาไร้ความช่วยเหลือไลยวันต่อมา โทนี่ไปหมู่บ้านเพื่อที่จะขายหมวกเขาแบกหมวกมาทั้งหมดหมวกแบบทาสีสว่างลายจุดลายขวางไม่มีหมวกแบบไหนที่ชาวบ้านต้องการแล้วโทนี่ไม่มีมันอยู่ในตะกร้าของโทนี่ทั้งหมดหมวกหมวกหมวกซื้อให้มากเท่าที่คุณจะซื้อได้พวกคุณไม่มีทางมีหมวกพอมีทั้งสีแดงเทาและฟ้าและแบบใหม่หมวกหมวกหมวก ชาวบ้านออกมาเมื่อได้ยินเสียงโทนี่ชาวบ้านไม่เคยเห็นหมวกที่สวยงามแบบนี้มาก่อนเลยโอ้ใบนี้สวยมากเลยโอ้มันนุ่มมากและก็สวยมากเลยแม่คะหนูขอซื้ออนันนี้ได้ไหมคะมันนุ่มมากหนูย่อจับมันไม่ได้เลยแล้วมันคือเรื่องจริงหมวกลายใบของโทนี่ทำขึ้นจากผ้าไหมมันเป็นอะไรที่พิเศษ หมวกทําขึ้นจากผ้าไหมไม่มีใครต่อต้านทานมันได้ด้วยชาวบ้านซื้อหมวกหลายใบจากโทนี่พวกเขายัางให้น้ําและอาหารกับโทนี่แต่เขาปฏิเสธโอ้ขอบคุณมากแต่ว่าผมต้องเดินทางต่อผมต้องเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งโอ้คุณต้องข้ามป่านั้นไปอีกหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหม ใช่ผมต้องข้ามไปโอ้ทางนั้นปิดตะกร้าของคุณให้แน่นตอนที่ข้ามไปนะมีฟงหลิงจอมกวนที่ชอบขมโมยทุกอย่างที่คุณถือไปโอ้งั้นเหรอผมจะจำไว้ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำคนนี้เก็บเงินจากกนานไขหมวกและเขาก็เดินทางต่อไปเขาเดินสำรวจหมู่บ้านก่อน ที่เขาจะข้าไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาท่องเที่ยวไปเรื่อยๆชื่นชมความสวยงามอ้ออออ๋อฉันหิวจังเลยฉันน่าจะกินอาหารที่ชาวบ้านเอามาให้ก่อนฉันไม่มีที่จะนั่งและกินแล้วฉันต้องไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อขายหมูแต่ไม่เป็นไรฉันจะซื้ออะไรสักอย่างแล้วกินเมื่อเดินเข้าป่าโทนี่รู้ดีว่า เขาจะต้องขายหมวกให้หมดถ้าเขาอยากจะทำเงินให้มากพอหลังจากที่เขาเดินสำรวจไปมาเพื่อหาอาหารในที่สุดเขาก็เจอร้านขายขนมปังเขาซื้อขนมปังสองชิ้นและเก็บไว้ในตะกรา้าเนีเดินเข้าไปในป่าและเข้าไปถึงในป่าเมื่อถึงป่าแล้วเขาก็ได้ลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับลิงและคำแนะนำของชายแก่เขาเดินเข้าไปในป่า ชื่นชมดอกไม้และผ ล, ละไม้สดเขาเด็ดผ ล, ลไม้บางผลและเก็บเอาไว้ในผ้าในทางเดินของเขาเขาก็เห็นต้นไม้ใหญ่โอ้นั่นเหมือนจะเป็นที่ที่สะดวกสําหรับฉันเพื่อที่จะนั่งพักแล้วโทนี่ก็ไปนั่งใต้ต้นไม้เปิดตระก้าออกมาเพื่อจะเอาขนมปัง เขากินขนมปังและผละไม้แล้วหลังจากนั้นก็นอนสักพักก่อนที่จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งโทนี่เหนื่อยและง่วงนอนมากเขาลืมที่จะปิดล็อกตะ ก, ก้าของเขาหลายชั่วโมงผ่านไปโทนี่ยังหลับอยู่และได้ยินเสียงบางอย่างนั่นเสียงอะไรนะไม่ว่าจะเป็นใครเงียบซะแต่เสียงก็ยังคงดังอยู่ ในที่สุดโทนี่ก็ลืมตาและมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่เลยและเขาก็มองไปที่ตะกร้าของเขาเท่านี้ตกใจมากไม่หมวกของฉันอยู่ไหนมีเพียงหมวกใบเดียวที่เหลืออยู่ในตะกร้าโทนี่เริ่มกังวลและเริ่มร้องไห้มีคนขโมยหมวกฉันฉันต้องทำยังไง เขานึ้คิดได้ว่าเสียงยังไม่หยุดดังและเขาก็มองขึ้นไปโอ้ไม่นะลิงแกขโมยหมวกฉันแล้วเจ้าพูกลิงก็นั่งอยู่บนกิ่งไม้พวกมันใส่หมวกของโทนี่และหัวเราะใส่โทนี่ไม่นะฉันลืมเรื่องที่ชายแกนั่นบอกฉันต้องทำยังไงล่ะคราวนี้ หมวกพวกนี้เป็นแหล่งเงินของฉันถ้าฉันไม่ได้หมวกคืนมาฉันจะไม่มีเงินซื้อผ้าสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วฉันจะกินอะไรฉันจะเอาเงินจากไหนเฮ้ยแกเจ้าพวกลิงเอาหมวกฉันคืนมาเดี๋ยวนี้โอ้ฮ่ฮ่าฮ่าอกันทีฮ ลงมาเดี๋ยวนี้และทันทีที่เจ้าลิงกระเทือบท้าลงบนกิ่งไม้ลูกเบอร์รี่ก็หล่นลงมามันทำให้โทนี่คิดได้เดี๋ยวนะพวกมันล้อเลียนฉันฮมันคือลิงใช่สิพวกมันล้อเลียนฉัน พวกมันมีความสุขดูฉันเครียดอยู่อืมทำไมเราไม่ใช้เรื่องนี้ตอกลอนกับมันนะเขานีแกล้งล้มลงไปกับพื้นและแสดงว่าเขากำลังเครียดและยอมแพ้เขาเริ่มที่จะร้องไห้แต่เขาก็เริ่มแอบมองพวกลิง่งเอออฉันจะทำยังไงล่ะนี่มันหมวกใบสุดท้าย ฉันด า, าฉันคงต้องมีความสุขกับมันแน่เลยโทนี่สวมหมวกและเขาก็ยืนขึ้นพร้อมกับมองขึ้นไปข้างบนด้วยความโกรธแกเจ้าพวกลิงฉันจะให้บทเรียนกับแกสักวั น, ท, นทันทีที่เขาพูดเสร็จเขาก็หยิบหมวกออกมาแล้วป่าลงกับพื้นด้วยความโกรธพวกลิงทำตามโท น, นี่แล้วพวกมัน ก็โยนหมวกลงมาที่พื้นเหมือนกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาโทนี่เก็บหมวกทั้งหมดและใส่ไว้ในตะกร้าพร้อมกับล็อกมันฮ่าฮโอ้เจ้าพวกลิงโง่แย่แย่แย่่เอาละลากอนะแย่แย่แแแล้วโทนี่ก็คิดได้ว่าสิ่งสำคัญคือการใจเย็นเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คิดไว เขาสังเกตจุดอ่อนของลิงและลดความกังวลลงเขาไม่ลืมที่จะเก็บหมวกของเขาให้หมดโทอนี่เดินผิวปากอย่างมีความสุขเมื่อเดินออกจากป่าเขาขายหมวกที่หมู่บ้านหนึ่งได้เงินมาแล้วกลับบ้านไป